ไม่รู้นาฏีของอันนี้มันเลี้ยวไหลไปหมดแล้วนะดูแล้วนีพูดยำ่ำพูดย่ำอย่ตลอดเป็นยังไงถึงได้พูดย้ำขนาดนีน้มันแปลกหูแปลกตายอย่างไรบ้างพวกท่านทั้งหลายไม่ไมไ่สนใจบ้างหรือในหัวใจแต่ละดวงดวงของตัวเองนี่สนใจกับท่านทั้งหลายรอบวัดนะรอบด้านนะทั้งตาทั้งหูทั้งอะไร ดูก็นเนี่ยนี่จะดูไม่ได้เดี๋ยวนี่ะจะว่าไงมองไปทางตา ก, กริยาอาการพวกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนบ้านนะยิ่งเวลาตักน้ําตักหาอะไรอะไรเข้าชนุมกันนะมองดูแล้วเหมือนบ้านนะพูดออกมาก็มีแต่เรื่องตลกขนองอะไรเหมือนบ้านนะยังไม่รู้เลยว่าอะไท่านโปรแกรมมหาบ้า น, นเหรอือ นี่มหาธรรมธรรมไม่ใช่ย่าแบบนั่นนั่นแบบบ้านนะเสียงนั่นเวลาเข้าอากาศไม่ทาบว่าเสียงอะไรตัวอะไรบางเสียงมันมีเสีไเสียงทเลยไม่ถช่เสียงความเรื่องบันเทิงประทังกิเลสมันจะเรื่บันเทิงประทังทำกิเลสลาถูไปต ล, ลปเอเวลาพิยาการมที่จะแดงออกก เป็นยีรียอันเดียวอันลากไปนั่นผมทนอยู่ทนอยู่เพราะหัวใจหมุนนะผมไม่ไทนอยู่เพราะความเล้วไหลยอย่างนี้นะที่ทนอยู่ทุกวันนี้ทามาอยู่สถานที่อาการที่แสดงเหล่านี้นะอันนี้เป็นอาการของยีเดียเท้งนั้น มันดิบมันดิบทุดทุกเวลาแล้วราชกายเป็นพระธุรธกิจธุระการนักเพิด น, นักเพลนลงระบำลบำโป้เป็นหมดแล้ในวัดนี้ดูภาพบุญนีน้จะดูไม่ได้แล้วเขาใจว่าเก่งว่ดีเล้เหลอที่มานี้อยู่ดีมันทำไมมันเป็นอย่างนั้นอาการมันเป็นอย่างนั้น มันไม่ได้หลังอะไรเลยเดี๋ยวนี้ทางยุคคมมันจะไม่มองเห็นนะมันเทิดมันเทินมันดิ้นมันดิบดูแลแต่เรื่องอันเดียวเต็มวัดเต็มมานเรื่องอันเรื่องธรรมที่ว่ามหามันอยู่ที่ตรงไหนมองหาดูแล้วมันไม่เห็นนี่มันเห็นแต่เรื่องอันเดียวได้ยินแต่เรื่องอันเดียวที่เดยรการแสดงออกมันมีแต่เรื่องอันเดียวนี่นี่เรื่องมาสะสมทำสั่งซ้อนกันหมดใส่หมดกรุงหมดตับหมดปอด ไม่มีการฝ่าการฝืนกันล่างเลยทํำยังไงไแสดงการออกทุก อ, อย่างมีแต่เรื่องเดียวเล่นแสดงรวดลายตลอดในกิยาของพระที่พอมองเห็นได้ที่มองเห็นได้อยู่ข้างในเป็นยังไงตรงที่มันมองเห็นได้ไม่ใช่ตรงที่โรงงานของมันเลยนะมันแสดงรวดลายออกมา หลังไหลมามาเขาไหลดูไม่ได้เลยดูไม่ได้เลยยิ่งหลังไหลก็หน่อเลยไม่อะได้เรื่องในเราอะไรเลยไม่มว่าเล่าว่างใหม่มันแหนกประตั้งหมงู่ตัวนี้ดูไม่ได้มันกลายเป็นโรงงานสังสมอันนี้เลยะแบบนี้ไม่เป็นท่าน กินในโลกอันนี้มีตายก็มีแต่อันนี้ทำงา น, นมันได้เหลอเราจะสอบเสียงหาธรรมที่ให้แตกจากสิ่งนั่นนี่มันอาการไหนที่เป็นอาการแสียงหาธรรมะมันมองไม่เห็นหนึ่งมันตาฝ้าตาฟางมันเห็นแต่เรื่องอันเดียวนั่นแหะกัดหัวพระอยู่เวลานี้น่ะฉันงนั้นฉันจะได้ทไป ความภาคความเปลี่ย น, นหน้าเบาใจเบาตาเบาหูอันนี้เพลี่ยนผ่านเปลี่นผ่านเปลี่ยนผ่านมองอะไ้เปล่นผ่า น, นผ่า น, นงงเหมือนตลาดดูมไม่นอยแล้วยิ่งเข้าไปชุมนุมกันด้วยแล้วป้าใหญ่เลยเราห้าหายกันยังสู้มไม่ได้มาอยู่มันหนักกันทำไมไนังหนา อยู่ไม่ในเรื่องในราวนี่ทำไมเป็นงั้นจิตตของพระผู้มาอุ่มลูกสาทำไมมันถึงได้บังคับกันมาอยู่ได้ดิ้นได้ดีดออกมาให้เห็นอยู่ตลอดเวลามีแต่อย่างเดียวฉันเดียวอันเดียวดิดีอยู่ บนทีเดียวของพระองค์เนงมันดูไม่ได้เคยพูดแล้วเป็นยังไงพิเรศมันแหลมคมขนักไหนพูดแล้วพูดแล้วพูดแล้ ว, ลวมันฟังหัาใจมานานเท่าไหร่มันตึงไม่ไดีเห็นโทษกันเลยทั้งทงที่มาเรียนวิชาเห็นโทษพิเลด ถ้าทำไมมันจีิไม่เห็นมันต้องไี้ เ, เพื่อได้เพลินขนาดนั้นอ น, นี้จ่อจิตสติเข้าไปในจิตมันจะจ่อไม่ได้หรอกนั่นเนองอกมันจะแตกพอมันเพื่อเพล น, นเหมือนกับสุ น, นัขบ้ามันนี่อยู่ได้จะเแบบบ้ามันอยู่ได้เปไ็นไงคนบ้าอยู่เปไน็นยังไงคนบ้ า, นาคนดีอยู่เป็นต่างกันไหมวิท ย, ยามคนบ้ า, นาคนดีเป็นต่างกันไหมวิท ย, ยามคนมีสติประคัาประคองตนกับ คนต่อยเลยเหมือนบ้าเหรอมันเป็นยังไงในหัวใจของแต่ละดวงดวงที่มาบ้ามาปกครองมารักษามาทั้งดวงตัวเองมันไปนยังไงมัน้งได้เป็นอย่างนั้นตัองยิเป็นบ้าต้องวัดได้มา้อยูดูงานีมันยัเหลือแต่ชื่อกรรมฐ า, านกรรมฐ า, านได้ไหนะยิ่งขุดจึ้มด่วนเข้มากุดขึ้นมาด่วนเข้ามา ทางโลกก็รู้แล้วแล้วมันเป็นยังไงโลกน่ะก็รู้กันอยู่แล้วแ ล, ล้วธรรมน่ะเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาหลักธรรมหลักข้างในคงเส้นคงวาที่จะนํามาบังคับบัญชาสิ่งที่ฮับเขตดหาแดดไม่ได้นี่ทําไมมันถึงไม่คิดไม่พุ้นคว้ากันไม่สนใจมันได้ยัเป็นแบบเดียวกันหมดเขาโลกเขาโลกสานเขามันต่างกันยังไง ห, หัวโลวนๆอ่ะไอโกนก็ได้โกนจนไม่เห็นทะหลอกของมดหนังแบบเป็นอะไรไป มันพิเศษอะไราหัวใจไม่มีสติปัญญาทางอัตตังธรรมเขารักษาที่อย่างเดียวเท่านั้นมันก็เหลือไปเหมือนคาว่าเขาเหมือนโตกเขาเลยนะมันผิดกันเลยอย่ามาหวังความพิเศษวิโสจากเพศธาตุเหนืองเท่านี้นะในตลาดนั่งข้าไม่อดุดเต็มไปหมดแม้แต่ในตู้นี้ก็มีเต็มวิเศษไหมในตู้น่ะถ้าไม่ทําตัวให้พิเศษในหัวใจของผูมิสติปัญญารักษาตนเท่านั้น อยู่วันหนึ่งวันหนึ่งผมเพียงของร่างผมอยู่เท่านั้นผมก็พอแล้วนะนียังต้องมาแบบคะละเรื่องจีดเรื่องขวางทั้งตุหูทั้งตาทั้งจิดทั้งใจตลอดเวลาแล้วมันทนได้หรยอทั้งทั้งที่ว่ามาปฏิบัติมาทุจริตรมกันอยู่แล้ว ความเป็นผู้มีความเพียรภายในตัวบ้างสักนิดหนึ่งมันไม่ได้หรือมันเป็นยังไงมองเวลาไหนมันถึงเป็นอย่างนั้นฟังเวลาไหนมันถึงเป็นอย่างนั้นแล้วเมื่อมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วไปที่ไหนๆมันจะเอาอะไรไปรชัยมันก็มีการเดียวที่แสดงวัดลา ย, ยตลอดเวลาบนเวทีคือหวัวใจของพระธิวายมาถึงที่เท้าหลวงมีถิมูลสวดมูลแห้งตเต็มประมุเนเรื่องมนะือไก่ วันหนึ่งวันหนึ่งอยู่ไปยังไงเั น, นรู้ตัวแล้วดทาขันไม่เอาไหนอ่ะไอ้นี่ให้วิจตกวิจาารกร็โยกของนี่ไม่ได้อวดนะไม่ได้วิตกอะไรเลยดังท่าดังขันรู้มันทุกระยะตลอดเวลาอยู่แล้วะมันมันจะเป็นยังไงดังทาดังขันท่าขันนี้เอามาจากไหนก็รู้บอกหมูเพื่อ ด, ด้วย ให้รู้อย่างนั้นด้วยดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟมันจะไปเป็นอะไรยิ่งกว่านั้ น, นแบบหา ม, มันไปยึดไปถือมันหาประยชนอะไรเรียนวิชาต้องเรียนอย่างนั้นที่วิชาทำต้องให้รู้อย่างนั้นเลยภูมิทีศอาจารรู้อย่างนั้นหวือหัวอะไรน่ไม่หังมันจะไปเมื่อไหร่พร้อมสมอ ตามหลความจริงไม่นฝืนหลักความจริงฝื้นให้มันทุกขมทำไทางเดินมีอยู่ปีนลงไปอะไรกานนอกทางไม่เหยียบความเหยียบหนามขึ้นแทงความจริงมีอยู่นั่นคือทางเดินตามความจริงฝื้นความจริงไปไหนถ้าไม่อยากให้นยิเดืดร้อยหัวใจนห น, นึ่งวันนึว่า พอทนเสแล้วเหมือนวันงานเป็นหัวใจงานนักธุรกิจทุ่ะการยุ่งนั่นยุ่งนี่ยุ่ ง, ง, งทางยังคมนี่ไม่มีเหลือเลยไม่มองเห็นเลยทํำไงที่จะฆ่ากิเลสทำลายทิเลสมันไม่ไมีมีแต่ให้กิเลสทําลายหัวใจพระมันจะไม่สลดต้องเวยยัยงไงพูดดูผููแลียพู้แนะนําสอนสอนอยู่เกี่ยความ เต็ม อ, อกเต็มใจเต็มหัวใจมันจะไม่ขัด่างผู้เขากี่ลูกมมนเคยมาทับหัวใจเมื่อยิ่งกว่าพู้ที่ว่ามาเป็นลูกิี่ลูกหาม า, าลึกสาวหลมแล้วมันมักทับหัวใจอันนี้นมันมาไล่แนบบ่นั้นเข้ากันไม่ได้เลยกับหลักธรรมที่สั่งสอนนะ าการโคบการชั้นเรียว่าเป็นข้อวัดฉอนมาันตามือมองกัไนไหนนะโคบเคี้ยวาหารนตาเมือมองไ่มองอะไรบาดดูบาดพิจารณาไในบาด น, นั้นมีอะไรอยู่ในนั้นไปสังขารหมายความว่าอะไร ที่ท่านว่ามาันไปสังขารโยนโศภินภาปะสังไปเสีย่า น, นั่นเพียงผิวเผินนะหลักธรรมชาติจริงๆที่ออกจากหลักของไปสังขานี่ลึกซึ้งกว่านั้นนะพิจารณาลงไปที่ปัญญามีได้อุบมาจากการปกครองฉันได้อุบ า, จา ก, ก า, า, บาจากอาหารที่ผสมกันนั่นเท่าไหรประมาณได้ประมาณไม่ถูกถ้าลงชาตสติปัญญาพิจิพิจารณาอย่างนั้นะ นีนอกจากมันชันกันแบบเพิ่มแบบเพิ่นแ บ, บ, แ บ, บแบบโลกสงสารเขาเท่านั้นเองมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรทั้งชันทั้งมือทั้งมองอะไรพูดไม่ถูกมองไปที่ไหนที่ไหนเรี้ดูที่โลกเป็นไงโลกมันมีธรรมโลกไม่สนใจในธรรมเป็นง ไม่ว่าบ้านนอกในเมืองไม่ว่าหญิงว่าไท ย, าายไม่ว่าเพศใดๆมันจะมีเกอะมีดอนที่ไหนเวลาถ้าไม่มีทมปกครองหัวใจได้อย่างเดียวเท่านั้นจ้าความวิเศษวิ่สจากกิเลสนี้เ อ, เอาเอาลงไปมันร้อยเอาลัดเอาลัดออกเานั้น อืมๆเรื่องแย่ๆไปที่ไหนความยิงมีอยู่ทำไมไม่ไม่จับไม่ยึดตาที่เหตุพาให้ดูกับตาของที่ทำพาให้ดูตาสติปัญญาของทำพาให้ดูมันต่างกันอยู่มากคนละโลกอกิเลสที่แสดงออกความน่าของกิเลสกับกิเลสที่แสดงออกแห่งธรรมเป็นผู้องการมันต่างกันคนละโลกมันใกล้กันไม่เลยมัน ถ้าถึงกันไม่ไรมันผิดกันขนาดนั้นทั้นทึ่ว่าโลกกับธรรมอยู่ด้วยกันมันก็ไม่เหมือนกันเหมือนผู้หญิงผู้ชายติดกันอยู่มันก็ไม่เหมือนกันนั่งอยู่ด้วยกันนั่นแหละหญิงก็รู้ชัดชัว่าชายก็รู้ชัดชัดเป็นอย่างนั้นนั่นแหละธรรมกับโลกมันต่างกันอย่างนั้น งับวันเหลือไหลลงไปลงไปทไําไหนิสตกวิจาริภุฟันของเราอยู่นิตกวิจาริภันแล้วกำมือเพื่อนมากอีทธิเดชสอนก็สอนอนีสตกวิจาริภุฟันจ่้จายาที่แสดงออกให้ทิหมหูแทงตามันก็เห็นอยู่ประจับประจับอยู่นั้งนี่นนทําไมโอ้จะไม่แตกโดนยังคงชั้นยางหันเสร็จแล้วข้าวทันคม วัดกับพี่เหลือมันเห็นเป็นอะไรได้โนโมทนาเลยนั่งเอามันเห็นได้นโมทนาเองตั้งก่อนมาจะยืนจะเดินจ ะ, นจะกิาการแสดงเป็นไหนมีถึกต่อสู้พี่เหลือนยู่ด้วยสติปัญญาตายเพราะการต่อสู้พี่เหลือมันเห็นสิว่ามียังไม่ลืมนะกุชลาธรรมาถึงไม่สวดก็ยังไม่ลืมนะจะสวดให้สวดเดี๋ยวนี้นก็สวดกุชลาธรรมะนั่นเองช้อนให้ฉลาดถ้าตายด้วยการต่อสู้พี่เหลือจะสวดกุชลให้เองวะ สวดคนเดียวก็สวดได้ไม่ได้คุยเขาเรียนมาอย่างยังไม่ลืมเนี่ยสอนเวลาเ น, น, ลานลลาเดียกับสอนโโอนุชลาสอนให้ฉลาดไม่ได้สอนให้งงนะอันทำไมาจมีแต่อุชลาอาุชลาเต็มตัวขี้เกียจขี้ก้างเต็มตัวความไม่เอาไหนนี่จิตจะจอ่อเขาไปภายในไม่ได้เลยนัหนึ่งถูกเกลียดมันไต้อะที่เดียวพังทลายพังทลายเป็นอย่างนั้นนะนะเดี๋ยวนี้นะ่ะห้มามมาประกอบความพากเียร์อยู่ไปเฉยๆวันหนึวันหนึ่งเกิดประโยชน์อะไร นับปีนับเดือนนับมืดนับแจ้งอย่างนี้มีมาตั้งกับตั้งครรภ์มือเราเลยไม่เกิดมีอะไหรือตื่นองนีง้ไปตื่นมันทําไมกิเลสขยี้หัวใจทำไมไม่ตื่นบ้างไม่เจ็บบ้างเหนือมื่อแจ้งเข้ามาขยี้หัวใจของไข่กิเลสทางหางมาอขยี้หัวใจของขนทาไมไม่ตื่นไม่คิดบ้างทําเป็นเครื่องตื่นที่จะให้รู้เรื่องของกิเลสขยี้หัวใจทําไมจึงแม่นำไปพิจารณา ไม่ได้เห็นโทษของกันพอจะได้ตื่นปบ้างเห็นโทษบ้างแล้วต่อสู้กันบ้างอ๋อเรื่อง